ภายนอกภายในต้องแก้ไขทั้งสองมองให้รู้เข้าใจการศึกษาจึงจะได้ผลดีเรื่องภายนอกภายในนั้นก็อย่างที่พูดแล้วแต่ต้นว่าบางคนก็จะดิ่งไปข้างเดียวคนหนึ่งเอาแต่ภายนอกเอาใจใส่เธอเรื่องที่ว่าใครจะมาทำลายพระพุทธศาสนา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 ถ้าเป็นการนำไปใช้อย่างมีเจตนาไม่สุจริตแอบแฝงโดยไม่ชอบธรรมก็เกิดโทษซึ่งจะต้องรู้เท่าทันและตีติงกันจึงต้องมีการพิจารณาจำแนกแยกแยะท่านที่มองคลุมคุมว่าเขาควรใช้ได้ไม่เสียหายมักอ้างเหตุผลต่อไปนี้คือเหตุผลที่หนึ่งพระพุทธเจ้า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 พระองค์ได้ทรงเห็นอยู่ว่าพรามณ์เกิดมาอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรพระองค์จึงตรัสคัดค้านไปตรงๆว่าคนจะเป็นพรามคือเป็นคนบริสุทธ์สูงประเสริฐเป็นที่เคารพเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่คนจะเป็นพราม์ได้ต้องประพฤติตัวให้ดีจิตใจไม่มีกิเลสดังนี้เป็นต้นคำว่าพรามในพระพุทธศาสนาก็เลยมีความหมายต่างออกไปจากเดิม